ก็คล้ายๆว่าทำมาทำมามันรู้เรื่องออกมันสบการมาพอเห็นอันนี้มันไม่สมควรแน่แล้วก็เข้าใจตักมันออกไอสิ่งที่มันสมควรนี่ก็ส่งมันไว้ถ้าพูดใ่แง่นี่ก็ดีกว่าปฏิบัติมันก็จะเกิดมาก่อนก่อนปริญญาต ถ้าพูดไปในแง่นึงก็ดีว่าปริญญาต์มันเป็นเหตมันเป็นแนวทางที่เราจะดําเนินไปตามปริญญาต์ที่เราเรียนมาถ้าเราคิดเช่นนี้มันก็ปริญญาต์มันเป็นเหตุแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นนะ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 ก็ยกขึ้นได้ก็สงควรแต่ว่ามันหนักแต่มันก็วยกได้ก็เพราะว่ามันมีกำลังมากถ้าว่าคนมีกำลังน้อยจะยกหินก้อนเดียวกันนั่นเนี่มันก็ยกไม่ขึ้นนี่มันจะเป็นเพราะอะไรมันเป็นอย่างนี้นะครับเราจะว่า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 มันก็ยกไม่ไหวแต่ว่าคนประมาณยี่สิบกว่าปียี่สิบห้าปีอะ่งมันยกไหวแต่มันก็พ้อนหีนพ้อนเดียวก่นนั่นแหละมาใช่คนละก้อนถ้ามันเป็นเช่นนี้เราจะหมายความว่าอย่างไรการปฏิบัตินี้ควรวันกัน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 เป็นตำรายาให้คนที่มาเรียนตำรายานั้นก็รู้ตำราแต่ว่ายังไม่รู้จักราบไม้รู้แต่ชื่อมันไม่รู้ต้นของมันแต่เรามีปริยัตวไ ม, มีตำรายา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 ันกว่าจะไปพบตนยานั้นข็อเพราะสตำรามันที่บอกแต่จะอาศัยตำราอย่างเดียวถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติออกไม่ปฏิบัติไม่เสถีหาตนยาให้รู้ตนยาว่าตนนี้มันเป็นอย่างนั้นตนนั้นมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราจะเป็นเสวงหาตนยาเองก็ไม่รู้ตำรามันว่าอย่างไร ต้งเงินกันนั่นั่นะนี่การปฏิบัตินี้่มันกันอย่างนั้นในทางที่ดีแล้วก็มีตำร า, า ย, ยาแล้วก็จําตำรานั้นสแสงค้นคว้าหาต้นยามารู้ต้นยารู้ตำราแล้วก็รู้ต้นยาสองอย่างนี้มันก็สมบูรณ์บริบูรณ์มันเป็นอิฐอย่างนั้น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 บางองค์วยังตำหนิพระพุทธเจ้าเราพระพุทธเจา้าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นครูสอนของเทพปบยตดาเดมนุษย์ทั้งหลายอยู่แล้วแต่ว่าสาวกทั้งหลายก็ยังมินทาท่านก็ยังไม่ชอบใจกับโอวาทท่านไม่ชอบใจกับากววารปฏิบัติท่านก็มี คนเรานี่ก็่อกัตถันนั่นเรามาปฏิบัติคือให้ปฏิบัติคือให้มีความรู้สึกอยู่เรื่อยๆติดต่อกันไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งเปน็นเดินเป็นเรียบทนั่นเป็นการปฏิบัติมันเป็นกิริยาการปฏิบัติแท้ๆมันเป็นอาการิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลา แต่ก็ทำเป็นการเป็นเวลาก่อนเมื่อเรายังรวมไม่ได้ก็ทำเป็นการเป็นเวลาถ้าว่าเราปฏิบัติจนกว่าจะมันรู้เรื่องมันก็เป็นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไอ้ของที่สืบเนื่องเพื่อจะเตือนสติ ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายนั้นเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้ขาดมันเป็นอาการดีโก้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่เห็นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นอาการิีโกอย่างนั้นอาการดีโกกับปาริโกนี้ก็เป็นไวัยพจน์ซึ่งกันเองกัน ผมเคยเล่าให้ฟังเสมอว่ามันหยดของน้ำ <c oughs> หยดแห่งน้ำที่ยังไม่ติดต่อกันต้อเรียกว่ายดแห่งน้ำมันยังมีความไหลเรื่อยก็เทียบเับว่าสติของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นน่ะมันดุ่มดุ่ดนดนไม่สม่ำเสมอ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 เป็นหยดแห่งน้ำไอเสียมันน้ามันเป็นสายเดียวกันที่มันไหลติดต่อกันนั้นเพราะมันมาจากหยดแห่งน้ําเราเร่งให้กําลังน้ํามันพุ่งแรงขึ้นมันก็ติดต่อกันหยดมันก็หายไปหยดแห่งน้ําอเสียมันหายไปที่ไหนมันก็ไม่หายไปที่ไหนแต่มันเปลี่ยนเป็น สายน้ำมันติดต่อกันการปฏิบัติสติเหล่านี้กัมวันกันฉันนั้นการกระทําให้มีสติสัมปชัญญะเป็นสัมมาปฏิปทามันติดต่อกันมันก็เป็นอย่างนั้น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 เม่เรามีความรู้สึกรู้สึกความผิดชอบอะไรอะไรอยู่และพยายามตั้งขึ้นในรู้ให้มากพยายามตั้งให้มากขึ้นให้ความรู้สึกนั้นมันก็ติดต่อกันมันไม่เป็นบักเป็นตอนเรียกว่าสติตามตาล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 เราเรียกว่ามันขาดสติมันขาดสติไอส ต, ติตัวนี้มันก็สําคัญเมื่อไรสติมันขาดไปก็เป็นบ้าเอเมื่อสติขาดเมื่อไรเสียเหมือนนั้นมันไม่ติดต่อกันคนเราเมื่อมันขาดสติแล้ว มันก็ผิดปกติของมันนันรุ่มรุ่มดอนดอนมันไม่สมบับเสมอสารมิตติติดต่อกันก็เรียกว่ามันเปนกระสายหน้ามันไหลการทำตติจตัญญาให้ติดต่อกันนั้นก็คือเราพยายามยกจิกตเราขึ้นเสมอเช่นว่าเรา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 ถ้าเรารู้แล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอารมณ์มันเป็นนมามประธรรมตัวภิกษุสัมมเนมทั้งหลายหรืออะไรต่างๆแบบนี้มันก็เหมือนกับลูกปาทธรรม ถ้าเรารู้รูปปธรรมเราก็รู้นามประธรรมรูปประธรรมนั้นมันมีรูปเห็นโวยตานามปรธรรมนั้นมันรู้รูปเห็นด้วยใจมันดูคนทางมังสาจักสูุเรานี่มันดูรูปเป็นของหยาบปัญญาจักขสุนั้นมันรู้นามรธรรม เราอาศัยอยู่กับรูปนามอยู่โดยรูปโดยเวทนารือสัญญาสังข า, ารอินญาณรวมทั้งสองทั้งห้าอย่างนี้ท่านปฏิบวติขันห้าขันห้าท่านก็จัดเป็นกองขันนั่นจะนีกว่ากองกองรูป กองเวทนากองสัญญากองสังขารกองมิน ญ, ญาอันนี้มันก็เหลือรูปกับน้ำรูปมันก็คงเป็นรูปลูกเวทรูปเวทนาสัญญาสังขารมิน ญ, ญาณมันก็คงเป็นน้ำมันก็คงเป็นน้ำรูปที่เราอศัยอยู่เนี่ยท่านจึงไจ้เห็นว่า รูปนามมันเกิดแค่มันก็ดับรูปนามเกิดแค่มก็ดับเพราพราะว่ามันจะมีอะไรบางศาสตรจักรูุเห็นลูกส่วนหยาบความรู้เกิดขึ้นมามันก็เป็นนามมันก็เป็นรูปนามเท่านั้น รูปมันก็คงเป็นรูปน้ำก็คงเป็นน้ำก็เรียกว่ามันเป็นกองกองอย่างหนึ่งมันเป็นกองน้มาธรรมกองหนึ่งมันเป็นกองรูปกองรูปนีเราจะเห็นด้วยมังกรจากสุกกองน้ำนั่นมันจะเห็นด้วยปัญญาจักสุกคือนมามธรรมภายใน แต่ว่ารูปกับนามนี่มันก็ต้องอาศัยกันอยู่ติดต่อกันอยู่แต่ว่ามันแยกเมื่อเราเห็นแล้วกอมันแยกกันออกมันเป็นรูปเป็นนามสองอย่างเหล่านั้จะพูดไปที่ไหนก็ตามมันอะมันจะแยกแยกไปที่ไหนก็ตามมันก็คงเป็นรูปกับนามรูปกับนามนี่แหละทันวิวาขันห้า ขันนั่นแหละทันเอ็ขอมันกองกองรูปก็คือมันมองเห็นหนึ่งตากองนามก็คือมันรู้ไว้ใจก็มีกายกับใจเท่านี้ส่วนรูปกับนามนี้ท่านในภาวนาให้รู้เรื่องมันให้รู้เรื่องมันให้รู้เรื่องของรูปเรีนนามมันเป็นขัน เป็นขันห้าคือห้ากองอ น, นั่นเองไม่ใช่อีกอันนี้ตัวให้ความเห็นของเราทั้งหลายเนี่ยไปยึดยึดทั้งสองอย่างนี่แหละทลั้งรูปมันก็ยึดนามมันก็ยึดว่าเป็นตัวตนเราเขาอย่างนี้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 รูปนามมันนี่อยู่ทุกคนตาหูจมูกลิ้นกายจิตท่านเพ่งให้ปล่อยมันเราทำไมถึงปล่อยมันไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังไม่รู้ชัดรู้แจ้งก็ยังไปยึดเอานาม แ, และรูปนั่นแหละมาเป็นเราเสมอไป ลอยไม่ได้วางวางไม่ได้การปฏิบัติท่านให้รู้จักความเห็นและก็รู้จักความเห็นที่เรียกว่าทิฏฐิคือความต่อไปเห็นทิฏฐิแปลว่าความเห็นมานะ คือตัวเขาไปยึดเป็นตัวผัวฐานไอ้ความเป็นจริงนั่นทิฏฐิเนี่ยมันก็ยังไม่ดีไม่ชั่วมันเป็นแบบความเห็นไอ้ความเห็นนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าทิฏฐินี้แต่ว่าทิฏฐินี้ เมื่อปราศจากปัญญาเมื่อไรอุปรทานก็เข้าไปยึดมั่นไลยจะยึดมั่นถือมั่นถ้ารู้มันโดยลยโล ย, ยที่ติความเข็นนี้มีปัญญามันก็ทำลายสิ่งทั้งหลายเดานั้นได้ในความเป็นจริงนั้นเราจะมีความสุขทุกหรือผิดนั้นก็เพราะกับไปยึดขันห้ายึดรูปกับนามนี่ ครูมาอาจารย์เราตัณฑจึงสอนรูปนามเนี่ยไม่หยุดอย่างอภิธรรมก็พูดไปเถอะมีแต่รูปนามกันตรงนั้นจะเป็นรูปปรีจะเป็นนามปรีมันจะมีความเห็นคิดผิดแล้วก็ไปยึดไว้มันก็แน่นอยู่ในรูปนามมันวางไม่ได้ที่นี่เราพองมาจำเนียกดูที่พระพุทธองค์ท่านตัด ามานะามาหน้าเก้าประการนเน่ยดู <c oughs> ท่านได้เอาตรงไหนก็ผมไม่เห็นว่าท่านได้เอาตรงไหนเลยครับ <c oughs> นี่เป <c oughs> เรื่องมันปล่อยวางอย่างนั้น <c oughs> เช่นจัดเป็นมานะเก้าอย่างเงี้ยมานะความยึดมั่นถือมันมอ่นมานะทั้งเก้ามเราเป็นนักเรียนมาหรือไม่เป็นนักเรียนแล้วก็ไปดูมาเรก็รู้ได้ว่ามานะมันมีเก้ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดต่อไปมาก <c oughs> ทิศทีนี้มันเป็นความเห็นนะครับไม่เป็นอะไรเห็นแล้วปล่อยวางมันไปอย่างนั้นมันปล่อยมันไม่ได้วางไม่ได้เพราะมานะนเรไปยึดแน่นโดยไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรกันเช่นท่านกล่าวว่าอตัวนี้แหละ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 อันนั้นก็ไม่มีอะไรถ้าปาาราศจากปัญญาแล้วก็กิอโทษเราเป็นผู้ดีกว่าเขาสำคัญมากเสมอเขาความสาคัญว่ามันเสมอเขาด้วยมานะนั่นแะเมื่อ เ, เราเสมอเขาก็เห็นว่าเสมอกับเขานั้นด้วยปราศจากปัญญาเนะี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกอีกแล้ว ผิดทางของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัววะเลี้วกัวเขานี้อันนี้ก็ไม่ถูกทางนี่แหละเป็นผู้เลีว้วตัวเขาสำคัญตัววะดีกว่าเขาอันนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ เป็นผู้เหลีวขัวเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเนี่ยคันนี้ก็ไม่ใช่ทางเป็นผู้เหลี้วขัเขาสำคัญตัวว่าเลว้วขอเขาอีกอันนี้ก็ยังไม่ถูกเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาดูตรงนี้ว่าเราจะเอาตรงไหนกันจะให้เราอยู่สบาย แต่ว่าผู้ทีมีความรู้บรรลุซึ่งธรรมะไอ้ความเห็นอย่างนี้มันจะมีไหมนะมันเป็นคิดถิมันก็มีมันก็มีมมแต่ว่าวันนี้สัจจะว่ามีอคิดถี่นั้นมันประกอบไปด้วยปัญญาถ้าประกอบปุ๊บไปด้วยปัญญาทุกอย่างอะมานะเนี่ยมันก็จะหายไป มันก็เหลือแต่สักว่าความเห็นฉะนั้นมันเป็นของสมมุติถ้ามันเป็นของสมมุติอย่างนั้นก็ท่านพูดถึงสมมุติท่านก็ทิ้งมันทั้งนั้นมันเป็นสักแต่ว่ามันเป็นกิริยาของจิตเป็นความรู้สึกเนี่ย <c oughs> อย่างนี้เกลียดมาหน้าต่างก้ามันหายไป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 ความเห็นเจนนั้นมันกระสับกระว่าเรื่อยไปมันคลายมันคลายไปเช่นั้นเนี่ยท่านก็เห็นด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าท่านเห็นด้วยความเขาเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาตร้างตัอถอนอุปาทานในตัวมันเนี่ยไอ้ของเก่าๆอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่ แต่ว่ามีอยู่สักแต่ว่ามีไม่เป็นสาคัญมั่นหมายมันจะไม่กอความสุขขึ้นได้จะไม่กอเหตุความทุกข์ขึ้นได้ก็เพราะปัญญาตามรักษาอยู่เป็นปุปปะโม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 เราดูเฉยอยู่แล้วเขาก็ออกปัญหามาเราก็ตอบแต่ทันทีเลยทำไมเพราะเฉยมันมีอยู่แล้วอันนี้ก็มันกันแทนนั้นถึงแม้มันจะเกิดอย่างนั้นมันก็ทำความเกิดนั่นให้เป็นทุกข์คือมันเกิดดับไม่ใช่ว่ามันเกิดเกิดมันเกิดดับ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 ไอ้สิ่งที่มันเกิดก่อนมันมีอยู่แล้วก็เหมือนกับเราเราจับเฉลยปัญหาไว้แล้วเขาก็มาถามปัญหาเราพอถามก็ไปปัญหานั้นมันก็สลายตัวไปเลยเพราะเรามีเฉลยอยู่ก่อนแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าสติประจําการที่ไร้ทําเรื่องการี่พูด อยู่เสมอ น, นี่เรียวกว่าปฏิปทาของจิตถ้าหากว่าเราเดินในขั้นนี้นะผมเห็นว่ามันจะไม่มีอะไรขุนมัวเลยจะไม่ขัดแย้งกันเลยจะไม่ขัดแย้งกันจะไม่ทําใจให้ขุนมัวเพราะอารมณ์หรือเราอยู่กันเป็นเพื่อนๆกันได้หลายองค์อย่างนี้ องไรองค์จะทําอะไรเกิดขึ้นมานั้นนี่ยครับก็ไม่มีอะไรจะเป็นเหตุให้เราขุ่นงัวทางท้งรู้อยู่เหมือนกันนะไม่ไม่มีอะไรจะทําให้เราขุ่นงัวได้ไอ้พอเรารู้ในเวลาที่เรารู้เสียงนั้นพร้อมกัยปัญญาเสียงชนิดนี้มันเกิดอยู่ก่อนแล้วอันนี้มันเสียงนี้เกิดทีหลัง รูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็มันการชันนั้นอายตนะาทาั้งหลายนี้เราเคยสังวรเราเคยสังรวมจนชำนาญแล้วถือรูปเร น, นามนี้รูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละมันรูปนามมันเป็นขันห้าอยู่แล้ ว, ลวนะรู้รูปตามความเป็นจริงกัรู้นามตามความเป็นจริงแล้วดัง น, น, นั้นอยู่ด้วยกันมากๆทั้งพระทั้งเนในกลุ่มปฏิบัติเนีน แล้วผมเข้าใจว่าพระก็ดีเนนก็ดีใครก็ดีนะ่ะอยูออ่ด้วยกันทะเลาะกันเบ้แว่งกันไม่ถูกใจกันอะไรกันอย่างนี้มีความแข่งแย่งขึ้นกันในกันอยู่ในใจเพราะวมันไกลธรรมะหรือเืนในส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติเลยครับมันอยู่คนละมันอยู่คนละข้าง เพราะว่าอารมณ์เกิดมาจิตไม่รู้ตามความจริงต่ก็จิตนั่นยังไม่อบรบเห็นความเป็นจริงไม่มีความจริงอยู่เป็นพื้นนั่นก็ไม่เป็นปกติ ทิ้งที่เป็นปกติอารมณ์ที่มาถูกต้องเข้าอันนี้อารมณ์ดีไม่ดีรู้อยู่แต่ว่าอารมณ์โสดาแต่ว่าอารมณ์มันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นเท่านั้นอันนี้มันก็ฆ่าทีเดียวแหละท่านเดียกว่าอกิเลสกับมรรคเมื่อมรรคมันกลา้ากิเลสมันก็ขึ้นเลยได้นะ เมื่อเกิียดมันมากมักก็จเจริญไม่ไหวถ้าเราเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้มันไปตกที่ไหนมันก็ไม่เป็นอะไรถ้าเราเมามีจิตใจอยู่ในใจของเราว่ามันอิจฉาคนนั้นว่ามันเบียดคนนี้ว่าคนนั้นดีอะไรอย่างเงี้ยครับตามความสำคัญมันหมายโจประทานนั้นเป็นทุกข์มาก แต่ว่ามันรู้ความรู้ชนิดที่เป็นสักเทวคิริยาเท่านั้นว่ามันเกิดแล้วร็ดับเท่านั้นก็ไม่มีอะไรแนไม่ใช่ว่ากิเลสทั้งหลายนี่ที่มันไม่ผ่านไปครับไม่ผ่านไปกิเลสมันก็ผ่านไปตรงนั้นแหละ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 อยงนั้นผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านกัตถารู้แล้วท่านก็อยู่กับโลกสาวกทั้งหลายนี้ท่านกัตถารูแล้วท่านก็อยู่กับโลกอยู่กับอารมณ์นี่แหละแต่ท่านไม่หลงอารมณ์ทําไมท่านจึงไม่หลงอารมณ์เพราะท่านรู้อารมณ์รู้การความเป็นจริงของอารมณ์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 มันก็อนัดวันมันจะพอกเข้าไปทางนั้นเนีอืมันจะพอกเข้าไปโดยมากส่วนนี้พะเนนผู้ประพฤติธปฏิบัติทางายนั้นชอบอยากจะดีไปโดยโดยทางนี้ที่ไม่มีปัญญาเมื่อดีไปแล้วเป็นต้นก็ไม่มีอะไรจะพยายามปฏิบัติใรู้ตามความจริงอันนี้อีก เมื่อไปถูกอารมณ์อยู่อย่างนั้นมันก็เป็นขึ้นมาอีกเมื่อมันยีดมั่นหมายมั่นในอารมณ์เจนนั้นอีกมันก็หนีจากนั่นไปอเมื่อนี้ไปจากเจนนั้นมันก็สบายมันสบายเพราะไม่มีอะไรจะควรมันแต่อยู่ไปนานๆดีมันก็กลับมาควรอีกดังนั้นก็ พระพุทธเจ้ากับพระอานุนไปบิถบาศในตระกูลมิชาจิติเขาไม่ให้ไม่ให้แต่ยืนอยู่นั่นแหละแต่ว่าผู้ที่ไม่มีปรรัญญาเหมือนพระอานุนก็เดือดร้อนยืนอยู่เฉยๆหรือเปล่าทักษะองค์นี้จะยืนอยู่ทำไม เขาไม่ให้เรียบไปเสร็จมันก็นรู้เรื่องกันมันเสร็จแต่นั้น เ, เขาไม่ให้จะยืนอยู่ทำไมอายเขาเนี่ยเมื่อก็คิดไปไรแย่ทุกขึ้ง น, นั้นเลยแต่พระพุทธเจ้าองค์นันตรัสว่าแต่ถาคตไม่อายอย่างนั้นให้อายสิ่งใดมันเป็นผิดสิ่งใดมันจะผิดคือให้อาย อย่างเราบวชสบามอย่างนี้ทรมานสั์ยืนอยู่เขายังไม่ให้แล้วก็าิดเป็นบาปอะไรเขาไม่ให้เรากไปก็ไม่มีเรื่องอะไรแม้ทา่าอีกองหนึ่งเขาให้ก็จะดีใจก็นึกองว่ามันจะถูกนัก่นก็ยิงไปกันใหญ่อีกแล้วมันเป็น เ, เช่นนี้ <c oughs> ดังนั้นผู้ปฏิบัติดูจิตใจแล้วอารมณ์ซึ่งมากระพบจิตใจนี่มันมากยิ่งกว่าในวัดเรานี่ลหลายวัดสีเสมอมซึ่งมันมาประสบกับอารมณ์นั้นอยู่เป็นอยู่นั้นแต่ว่าท่านสบายอยู่พอรู้เรื่องกับอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเนี่ยคือเหมือ น, นกันกับโลก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 ไอสิ่งที่มันเป็นสมุิมันก็เป็นตรงนันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาดังนั้นผู้ปฏิบัติขั้นจิตใจนี้ทั้นที่สอนไปอนโนนถ้า เ, าเราเอาชนะตรงนี้ไม่ได้เราจะไปที่ไหนถ้าอนโนนก็ไปที่โน่นชนบทโน่น ะะเขาไปกลุ่มน้นไปชนบทนู้นเขายังเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไปที่ไหนก็ต่อไปชนบทนู้นไปเมืองนู้นอีกต่อไปในชนบทนั้นนู้นในเมืองนู้นเขาไม่ให้อีกอย่างนี้เราจะไปที่ไหนนี่แหละ อ, อ น, นุนเราพแพ้เขาเรื่อยไปตอนนั้นแหละ พระพุทธเจ้าจะใ้รู้มันตรงนี้อธิรณ์เกิดตรงนี้ระงับมันตรงนี้ระงับที่นี่แล้วมันก็สบายเราชนะมันที่นี่ไปข้างหน้าแล้วก็ชนะมันชนะมันด้วยความเราเอาชนะตัวเราเองถ้าเราเอาชนะตัวเราเองเราชนะคนทั้งโลก ผมเคยเละอ่านเรื่องอาการมนิษย์เป็นเรื่องเป็นราวไปหลายอย่างเรื่องการมนิษย์ใจยิงข่าวพระพุทธเจ้าก็ติดตามหาพระพุทธเจ้าอยากจะไปประพฤติปฏิบัติอยากจะไปกราบไปไหว้ท่านแตละวัดท่าน ถามไปด้วยแบบพระพุทธองค์ไปนโน่นก็ไปเด้วยตามไปด้วยด้วยไปถึงที่สุดวันนั้นมันจวนจะเย็นยังไงไม่รู้แต่พระพุทธองค์นั้นไปพักชาวประมงใช่ไหมเป็นวิชาชีพท่านก็ไม่ไปพักท่านก็พยายามไปถึงโน้นบ้านบ้านนายช่างหม้อแล้วก็ตีหมอ้อขายเป็นอาชีพ ไม่ต้องฆ่าสัตว์สัตว์ชีวิตไม่ต้องเป็นมิจฉชาชีพท่านปรุษาไปพักกับคนจนๆปริการมณาิทก็ไปเท่านั้นแหละไปบ้านจางโมเหมันตันก็เห็นอยู่ตานี่เห็นอยู่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นอยู่เป็นสมณะแค่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าก็เลยจำวัดเนี่ยค้างคืนกับพระพุทธเจ้า เราเห็นพระพุทธเจ้าเป็นดวงตาไปยังไม่เห็นอีกอยังไม่เห็นก็เพราะว่าตานี้่ม่เห็นอีวรนมันเห็นรัศดะอาการจิตมันไม่เห็น อ, อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเลยไม่เห็นนะตั้มมันกั้มไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ายังเข้าใจไปอย่างอื่ อันนั้นเรื่องกามมานิสได้เป็นเหตุไม่ได้เพระองค์สมมาสัมพุทธเจ้าของเราและกอเรามานำคิดมาพินิจพิจารณาดูอ <c oughs> เรื่องอ น, นี้มันเป็นไงมันเรื่องพสพศนี่นะเป็นวรรณคาดีดูไปแล้วก็ผมเข้าใจว่าการมานิสนั่นจะเป็นรูปประธรรมก็จะเป็นนั้นก็ได้แต่ว่าเรามาพูดถึงนมามธรรมกันกามมานิสไม่ได้เป็นอย่างนั้น ใครทุกคนอยู่ในนี่ก็กลามเป็นตามานิเตอรได้แต่ว่ามีจิตอันหมกมุ่นอยู่ในกลามจมอยู่ในกรามกลาโมคะโอคะคือกลางปาโอคะโอคะคือพกจิดโอคะโอคะคือจิตติอวิจโฌคะโอคะคือวิชาแม่น้ำสีสายนี้จมอยู่กลาม เป็นเหตุแห่บรรลุคุณงามความดีได้กันกันสัตว์ต่างหลายอย่างพวกเรานี่ก็เหมือนกันที่เราไม่เห็นความแตดจัรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่เดี๋ยวนี้บวชมาเดี๋ยวนี้นะครก็พอกาบมันหมกมุนอยู่ในกาแม่เราจะโผนผมมาบวชห่ผมผ้ากาเสรรืัอผ้ามาบวชอยู่อย่างเนี้ทําวัดตวดมนุอยู่อย่างเนี้นนย ปฏิวัติอยู่อย่างนี้แหละแต่จิตมันมหมกมุนอยู่ในกามบโอคะกาโมคะโอค ะ, ะคือกามพะโอคะโอคะคือภพคิดโภาโอคะคือทิฏฐิอวิชโชคะโอคะคืออวิชชาห่วงน้ำทั้งสีสายนี้มันท่วมใจอยู่มันยังจมอยู่มันยังจมอยู่ในน้ําของกาบเนี้ย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 มันไข่ในกลามอยู่ติดต่อเรื่อยๆกลามเห็นลูกมันก็ท่วงใจฟังเสียงมันก็ท่วงใจได้กลิน่นมันก็ท่วงใจได้รถมันก็ท่วงใจโพนะปามันก็ท่วงใจมันท่วมอยู่อมืมันอยู่ในกลาม มันจม อ, อยู่ในกลาก็เหมือนกับคนที่จมอยู่ในความมืดเช่นว่าคนจมอยู่ในหนวกหูหนวกอย่างนี้มันจมอยู่แม่จะตะโกนดังแรงก็ไม่ได้ยินเสียงยไ อ, อ้ทำไมพอหูมันหนวกเหมือนกับคนจมอยู่ในความมืดคือคนตาบอดจะจะแดงสีสันวันนะอะไรก็ตามทีเธอ มันไม่มองเห็นแสงสี น, นั้นเพราะตามันบอดเนี่ยดังนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นจึงจมอยู่ในน้ำของกากใครอันนี้พเพราะเนกามนิย์ ตัวเรานี่นะก็เป็นตามนิสไม่เห็นพระพุทธเจ้าคือใน ม, มองเห็นธรรมะของท่านอย่างแจ่งแจ้งมันเป็นตกอยู่ในวัฏฏะสงสารวนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาขุดเกิดขุดตายอยู่อย่างนี้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 มันเป็นศักดิ์แต่ว่ายังอยู่อะไรตัางพวงมันจะศักดิ์ว่าไปทั้งนั้นเลยทั้งหมดดังนั้นคุณจะเข้าใจว่าผู้ปฏิบัตินี้จะต้องพยายามสงใจให้มากอย่างฆ่าตอหรือฆาขอถะเลาะ ก, กันนี่จกอย่างนี้เป็นตัวอย่าง ถ้าพูดถึงเรื่องกิเลสแล้วผมคิดว่าไม่มีใครไม่ไม่มีใครดีกว่ากันันะอย่างผมกับทะเลาะกับอาจารย์อาจารย์ชูถ้าให้ผมตัดสินแล้วน่ะด้วย อ, อาจารย์ชูกับุมมีทะเลาะกันเนี่ยให้ผมตัดสินจะผมบอกมันมีส่วนเท่าเท่ากันเนี่ยเพราะว่ามีส่วนเท่ากัน ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอเลยมันเท่าเท่ากันเท่นั้นเอ้เนี่ยใช่ผมหลงอาิสิกรแล้วผมว่าไม่มีใครแล้วจะดีกากันเลยนี่เสียหายกันสองเลยถ้าเราเป็นทุกข์เพราะอารมณ์ก็เพราะเราขาดปัญญา ถรากระทุกกรบพวกกระูกกุงอิจฉาจารร้อนกันอยู่ก็ยิ่งห่างไกลนี่คือคือคนไม่มีปัญญายังไม่ใกล้ธรรมะเลยถ้ายังมีความหมดตั้นอยู่เสมอนั่นตัวยังดีอยู่นะยังติดที่เป็นศีธรรมยังไม่เป็นธรรมะดังนั้นพวกท่านทั้งหลายซึ่งมาศึกษาในภ ร, รษานี้จวนจะออกภรรษาแล้ว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 เมื่อลินก็ไปใส่มันก็ไหลออกกั้นนั้นถ้าไหลออกไปเรื่อยๆเราจะไปขืนลินเสรมันก็ไหลออไปเรื่อยไม่เกิดประโยชน์อะไรมากดังนั้นหลักฐานการปฏิบัตินี้ต้องฝึกตเนเองฝึกในตัวเองนี่สองส่วนกับครูบาอาจารย์สักส่วน ไว้เสมอน <c oughs> ถ้าเราศึกษาตัวเองเก็ต้องสนใจใทุกเวลาแค่ว่ามันชอบหมดนะตอนเรา ย, ยินตรึงตรึงตากั น, นเราเอาอีกปเปรียวไม่คี่วันันก็ได้หมดไปเรื่อยไปหมดไปมันยืนตัวไม่ได้เพราะอะไรมันไหว้น้ำไม่ได้ ว่ายข้ามตามเลยะยัยงไปเสนอเสนตามอยู่